ให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติ <c oughs> <c oughs> ให้ยินได้ฟังเอาไวา้เรื่องของการปฏิบัติเหมือนกันถ้าเราได้เจริญสติ้วก็สนุกสนุกโล เวลาเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติก็สนุกเห็นเหมือนทัศนานุตติยะเห็นผิดเห็นถูกที่มันเกิด ข, ข, ข, ขึ้นกับกายกับใจเรามีสติเป็นที่ตั้งเป็นหลักเป็นตัวยืนอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ยังสุขเรื่องทุกข์เรื่องสงบเรื่องผองช้านเรื่องรู้เรื่องไม่รู้เรื่องผิดเรื่องถูกด้วนเกิดเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแต่แเราปฏิบัติมันจะไม่ฟรีมันจะผ่านมามันคนละเรื่องกับความรู้สึกตัวจึงไม่ผิดไม่ต้องกลัวอะไรถ้ามีหลัก ตั้งหลักไปอย่างนี้แล้วหลักแล้วก็มีจริงจริงมีรูปมีกายสำบัดได้ไม่มีความรู้ในสิ่งไปตามรูปที่เราเจตนาที่จะรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นระเบียบ มันไม่เป็นระเบียบในที่รูในส่วนรูมีที่ตั้งมันก็ยืนไม่นานเหมือนต้นไม้ที่ไม่ลงดินเมื่อมันไม่ไม่หลักยืนมันก็ไม่เกิดรากเกิดรา ก, ก็ไม่ทนทานรูอยู่นานๆมนก็ฝังลงไปเพราะว่าที่รูไปในกายอันอื่นที่มันเแย่กออกไปก็ มันก็มีหลักยากที่จะหลงไปทางอื่นตามัรูปไปในกายแล้วตัวกายมีจริงจริงจิตใจก็มีจริงๆงที่มันเป็นรูปเป็นนามส่วนอื่นไม่จริงจริงก็พิงแบบไม่จริงเป็นข้างเป็นคราวเป็นอาัารตกกะเป็นอาการต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้น กกายกับใจจะไม่เรียกว่าสนุกได้ยังไงมันสนุกเห็นถ้าเป็นภาวะที่รู้คําว่าผิดเําว่าถูกไม่มีเลยคําว่าสุขว่าทุกจะไม่มีเลยคําว่ายากว่าง่ายจะไม่มีว่าเบื่อว่าเสงจะไม่มีมีแต่เห็นเตือนหลักเป็นเช่นไปยิ่งใหญ่ จะรู้ถัหลวงได้เบพอมีหลักนะมีหลักมีที่ตั้งอยู่เนี่ยเรื่องอื่นที่จะหามาประกอบก็เป็นบางข้างบางข่าวที่เรามีเจตนาเรื่องอะไรที่จะให้สติมันเข้มแข็งขึ้นมาเป็นข้างเป็นข่าว บางทีก็ใช้อริบุนั่งทนทานในอริบทนั่ ง, ททานน บ, งบางดีใช้อริบุตรเดินให้ทนทานในอริบทเดินไม่หูดใกล้มีสติตั้งอยู่นานๆในบางโอกาส บางทีก็ในทุดุงขวัตบางอย่างเพื่อขูเก่าบางทีก็สมาทานไม่เอนหลังไม่นอนไม่เอาหลังถูกพื้นเรียกว่าเนสติไม่ใช่ไม่นอนนอนอยู่แต่นอนแบบท่านั่งเป็นการขูเก่าเป็นบางโอกาสเพื่อฝึกตนสนตน ลุยๆสักหน่อยเมื่อคืนนี้ก็ไปบอกพระจะไม่นอนเดินย่ำกรมไม่ไ ม, ไม่นอนเลยว่ามันผมสือเนจิติช่วดงไม่ใช่เนจิิไม่ใช่แบบนี้เนจิิไม่ใช่ไม่นอนเลยเดินทั้งคืนมันก็ไม่ใช่เนจิิคือไม่เอาเอนหลังถูกพื้น นอนพิงอะไรต่างๆพิงหนอนพิงธาารมมกทำที่นั่งให้มันสะดวกสะดวกซหน่อยไม่ใช่นั่งตั ว, ล, วลอยเคยไปหัดเคยไปตื้อตะดงแบบนี้อยู่ท่ำโค ข, ขมี เบอร์ดอนช่างจังหวัดสุพรรณบุรีสมัยเป็นหนุ่มลุยลุยลงลุอะไรที่มันยากอะไรที่ทำไม่ได้ในการฝึกตนสอนตนที่มันไม่มียปลีียนตนเกินไปเนื้วก็มีสูตรทุ้ ด, ดงสิบสามข้อ เราก็จับข้อรดข้อือมาฝึกหัดลองดูเพื่อให้ใหความอดท น, นเข้มแข็งในอาการต่างๆแสดงออกทางหลายที่ฝึกตนทำได้เดิ้ไกลๆหนึ่งเดือนอันนี้ก็เป็นบางข้างบางขาวไม่ใช่เอาผิเ้าถูกกับเราั้ น, นถ้าใครไม่ทำอย่าง น, นั้นถือว่าผิด เปไม่ใช่สิ่งที่จะผิดคือมันไม่ใช่มีสติคือมันหลงนี่แหละอันอื่นไม่เป็นไรแล้วจะใครจะทำํำบางทีเราปฏิบัติมีอาการต่างๆกับเครืกับคนมางคนอันนั้นก็เป็นเรื่องอันหนึ่งไปไม่เกิดหมดทุกคนเช่นนิมิตเกิดจากบางคน บางคนก็ไปเกิดก็อย่าไปให้เหมือนเหมือนกันหมดสิ่งที่เหมือนกันคือสติอันนี้เราจะไม่เหมือนกันเราทิ้งหลักตัวนี้ไปเวลาเราปฏิบัติอย่าทิ้งหลักแม้เหมือนเกิดอะไรก็อยากเราก็อย่าไปทิ้งสติให้เห็น ตัวหลอกที่แน่นอนที่สุดไม่เปลี่ยนแปลงคือเห็นไม่เป็นอะไรที่เกิดขึ้นเห็นไม่เป็นไปตามอาการที่มันเกิดขึ้นกับป่ายกับใจเห็นไม่เป็นไปตามอาการที่มันแสดงมันทุกข์ก็เห็นทุกข์ไม่เป็นวุธุกนะมันหลงมันรู้มันผืดมันถูกก็เห็นมันอวัยที่เห็นเหมือนกันเสมอภาพ สติทำไมเสมอภาคทําให้เรียบไม่มีคลื่นที่เกิดกับกายกับจายไม่มีการกระทบก็เห็นไม่เป็นไม่กระทบกระเทือนกับสิ่งใดยิ่งหนักแน่นยิ่งสร้างสรรภาวะที่เห็นนโงกงามขึ้นเป็นยานเป็นฌานเป็นมรรคเป็นผลได้เพราะการเหตุนเนี่ยถ้าเป็นละมันกระทบกระเทือนผิด กระทบกระทือนกับกรรมฐานถูกก็กระทบกระทือนกับกรรมฐานเาว่าที่รู้ไม่งอกงามผมรู้สึกตัวปเป็นงอกงามในพรอที่มันมีถึงที่ช่วยคือเห็นไม่เป็นเป็นยานเป็นขนส่งไม่พ้นเป็นคู่มือของสติเป็นอาวุธเป็น เครื่องมือที่ทำให้สติได้ใช้ที่ไม่งเงียบก่อนเกลียนเห็นสั่วลบสติเหมือนกระต้นก้าที่ผูกไป ต, ต้องปักหลักให้อาศัยสักหน่อยเห็นไม่เป็นเหมือนหลักที่ผูกกิดไาเวลลมพัดมาก็าไม่กระทบ ก, กระเทือน อันนั้นเป็นนิมิตเป็นวัตถุแต่เป็นนามธรรมไม่เป็นอย่างนั้นด้วเห็นไม่เป็นหนักแน่งกวัวสิ่งเหล่านั้นเราก็มีหลักอย่างนี้เวลาเราปฏิบัติโตขึ้นมาเองไม่ต้องอาศัยอะไรพึ่งตนเองได้ทันที ไม่เลี่ยงไม่ได้เพราะเลี่ยงใช้ได้ทันทีสติก็ใช้ได้ทันทีเสมอกันวัดจะสร้างมาสิปียี่สิบปีผู้ที่มาสร้างปีเดียวก็เหมือนกันเลยทีเดียวไม่ใช่เป็นลูกบานสติเหมือนกันเลยมันเห็นมันสุเห็นมันสุขเหมือนกันหมดทันทีเลยทีเดียววิถีอาทินี่ทีเดียว จึงเป็นธรรมะที่เป็นสัจจะเป็นสัจจะจริงๆิงสติเป็นประมาดจริงๆริงคือสติเนี่ยอันอื่นนะเป็นสมมติเกิดทีหลังแต่มันก็ถูกสมมติทอบมอมสุขก็เป็นสมมติเอาทุกข์ก็เป็นสมมติเอกมันก็ยิ่งใหญ่ เราเคยถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงาปฏิบัติตามความสุขความทุกข์มากก็ถือว่ามันก็ยิ่งใหญ่สุข ก, ก็หมาเลาะคาทุกข์ก็ลองให้เป็นเช่นนั้นของโลกก็เราเห็นประมาทแล้ว อาการอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกิดกายกับใจมันก็มีอยู่จริงแต่มันไม่จริงแต่ถ้าเรามีสติมันจะแก้กเป็นตัวเฉลวยร่มวมุขรวมทุกข์ทำให้อินทรีย์แ ก, ก้สติอินทรีย์แก้กขึ้นมาไม่เปลี่ยนแปลงกัปปาการณ์ตา่างๆมันก็มีหลัก เลยสนุกสนุกทุกเรื่องไม่ันสนุกก็เป็นสมมติบัญญตัติไม่ใช่สุ ข, สขเวลาแล้วไม่เป็นอะไรนะั่นสนุกแบบไม่เป็นอะไรนั่นมั่นคงอะไรที่มันเกิดขึ้นเห็นมานอย่าหาได้ใช่ทันทีไม่ได้หา ใช่ฉันทีมีสติทันทีมีกายก็มีอยู่แล้วมีจิตใจก็มีอยู่แล้ววิญญาณธาตุลู่อะไรได้อยู่แล้ววางลู่ที่เป็นวิญญาณธาตุอย่าให้มันลู่แบบพบชาอิแบบมีภาวะ ให้เป็นวิญญาณธาตุเทวลูกแบบคุมกำเนดในสังขารให้เป็นวิสังขารในการปรุงให้เป็นการไม่ปรุงเช่นความเจ็บเป็นนั่นก็เจ็บแต่เห็นเหมือนเจ็บคือวิสังขารคือไม่ปรุงให้เจ็บเป็นเจ็บเห็นเหมือนเจ็บไม่ได้เป็นผู้เก็บ มันมีวิญญาณธาตุมันรู้จับเก็บอยองกัดมันรู้จับเก็บมีสติอินทรีย์เจ้าขึ้นมาอย่าเป็นผู้เก็บะนีมันจะเจ้า้าแบบนี้ภาษาหลายความทุกข์ที่มันเกิดจากความคิดจิบจ้อยโกรธโลภหลงก็จิบจ้อยคิเลิจางหยบับจ่ำ ที่ดจางเป็นอนุสัยนั่นต้องมีสติปัฏฐานที่แน่วแน่กามลคาวะมาณทิติมันเป็นตนอยู่ในอาการต่างๆตัวนั้นสำคัญเป็นตนทุกเป็นทุกนี่ติวะตน สุขเป็นสุขผิดเป็นผิดโกดเป็นโกดหลงเป็นหลงดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วหรืว่าตัวตนเท่านั้นเป็นมาระมาลาคปาิคะมานทิฏฐิเป็นสังโยน์ที่ ทห้ hey, ทำให้เราไม่รล้แกงไม่เห็นจริงน้าเรามีสติจะเห็น <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีตนไปในอาการต่งตางๆนี่จะเป็นอาการธรรมชาติเล็กๆน่อย ไม่เออที่จะไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนได้เป็นวิลาคาจางหายลงในต น, นจางลายจืดไปไม่มีค่าทุขไม่มีค่าทุกข์ไม่มีค่ า, ค า, คาผิดไม่มีค่าเ <c oughs> <c oughs> ี่ว่าจางคอย เรว่าวิลาคจางลายมันให้ใจใมันมีประโยชน์ให้เป็นสุขเป็นสุขมันเป็นไปไม่ได้ทุกเป็นทุกเป็นไปไม่ได้มันไม่มีค่าเหมือนหลังมือชีวิตที่เป็นหลังมือจะเอาสมัมผัสเราไม่มีประโยชน์หลังมือ ไม่มีค่าอะไรที่มาถูกหลังมือมันไม่จับมันไม่เอาหลังมือมันไม่เอาอะไรให้เป็นสำเร็จประโยชน์จากอื่นไม่ได้จะจับให้เป็นสุขเป็นทุกข์เหมือนหลังมือจับให้อะไรไม่ได้เช่นนั้นนันก็เลยไม่มีค่ารถของโลกไม่มีค่า สติมันจะเป็นอย่างนั้นแหละปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นปฏิบัติคตตือต๊ต๊ะทออท่วงตรวจสอบกับปฏิคือกั บ, กบไม่ไปอะไรที่มันจะไปมันไม่ไปสุกมันไปไปจึงไปมีสุขมันจึงเป็นสุขทุกข์มัน ปจึงเป็นทุกข์ถ้ามันไม่ไปมันก็ไม่มีค้ามีแต่สติเป็นหลับอยู่แล้วจึงง่ายๆทำได้ทุกชีวิตนื่เราทำอย่างนี้ได้นันก็เป็นอะไรเกิดขึ้นจึงได้ที่เราหลุดพ้นเราก็มัน ก, ก็เห็นเห็น โลกเห็นชีวิตของคนทั้งหลายเรืว่าเห็นชีวิตของคนเกิดนก็แบเจ็บตายก็คิดจะช่วยเหมือนพ่อแม่ที่ได้ของอะไรที่มันดีๆก็คิดถึงลูกคิดถึงลูกคิดถึงลูกก็คิดถึงพ่อถึงแม่บ้างอาหารดีๆเชื่อว่าดีๆเครื่องใช้ดีๆ ชีวิตของเราก็ไม่ใช่มันจัดได้ถ้ามันพ้นจากทุ ก, ทกไม่ทุกจก่งๆก็คิดถึงคนที่เป็นทุกเมื่อชิดแล้วก็ต้องช่วยเหลือมันก็เกิดทมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นความชั่วไม่จ่ละความดีทำเลยไปใจไม่ยึดจะโนกทำดีแต่ไม่ยึดติด ไม่ทาอะไรก็ได้แห่เมตตาก็ยังดีปฏิบัติธรรมมันก็มีดีเกิดขึ้นจากชีวิตของเราเนี่ยเหมือนเปลี่ยนแปลงไปอาการต่างๆที่มันเกิดจากขณดที่เราปฏิบัติเนี่ย ให้เราเลยบทเรียนอย่าให้มันเป็นสิ่งขวงก้นบางทีให้เป็นเฉีงขวงก้นติดให้มันออกหน้าหวงหน้ามันก็ไม่ได้บทเรียนหัวหลงขวงก้นรวมอะไรต่างๆที่เป็นอาการต่างๆเกิดขึ้นกับกายกับใจ ให้มันขวงกันให้มันเป็นของผ่านให้มันรู้ภาวะที่รู้เห็นไม่เป็นนี่เป็นทางผ่านได้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเวลาเราปฏิบัติที่มีสติเหมือนเหมือนเดินทางมีสติรู้มันก็ปล่อย่าความหลงเหมือนคนเดินทางอะไรที่ไม่ใช่ความรู้มันขวงกันรู้ไปผ่านไปตะเพื่อตะพือไป ผ่านความหลงก็ไก่ความหลงผ่านความผิดก็ไกลความผิดผ่านความถูกก็ไกลความถูกนีจะเห็นไปอันเดียวผ่านตะพึ่งตะเพอม่รูอยู่านั้ น, นผ่านความมุ่งก็เห็นผ่านความบาง้งใจสงสัยเป็นทางผ่านที่จำนี้จำนานเหมือนกับทางที่เราเดินจำนาญในทาง ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยบอกให้มันมีมาเถอะห้มีสติมันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะก็จะได้บทเรียนจากมันเหมือนคนเดินทางอย่าให้มันเป็นบทฝึกหัดเจเรื่อยใช้ได้เลยบทฝึกหันก็เลยไรทำไม่ เมื่อเห็นอะไรเกิดขึ้นเอยทําไหมทําไหมจึงเป็นอย่างนี้ทำไหมจึงเป็นอย่างนี้บางทีมันก็มีความสงบสุขบางทีก็ไปหลงกับความโศกความรู้เวลามันจืดจางไปที่มันเป็นอาการต่างๆก็เสียดายมันเลยว่าขวงเลยไปหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีบัครังกกับผู้ปฏิบัติ บงังครังก็มาากาีเรียกว่าอาการเรียอารมณ์เป็นอารมณ์ในกรรมฐานหล่อหยาปิติปัจทติปัญญาประเดีปิติก็อิมอมอออ่มใจอิ่มอกอิ่มใจเยิ้มเยิ้มใจปัจทติสังมุลึกซึ้งปัญญาก็พุ่ง มองอะไรก็มีตะบัญญารู ata, ร้โ น, น, น่รู้นี่คิดโ น, น่นรู้โน่รู้นี่มีใครพูดที่ไม่มถูกก็แสงเข้าไปแันดีเหมือนววยเขาผิดสวิตตะพื้นตะผือหวยถึกอะไรที่เห็นว่ามันผิดสนตะพื้นตะผือรอยเป็นวิปัญนูไป กาเป็นวิปลาสไปเดี๋ยวว่าหมดที่ปัจจโนมันมีอยู่จริงปิติปัจติปัญญาวะเนี่ยมีอยู่จริงมีความรู้อยู่เนี่ยมีอยู่จริงแต่มันมันเป็นกะอักปนันเป็นกุปปรธรรมมันเสื่อมตืดไปหมดเลยันที่สุดด้านไปเลยก็มีนันกกรรมฐานจะด้านอย่างตรงนี้ ไม่รู้จักเคารพวอนน้อมต่อมตนไม่รู้จักกลัวบาปทำบาปได้วางเดีย ว, วที่เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้พวกที่มีความรู้เนี่ยเสียผู้เสียคนไม่อายต่อบาปมันไดน้คนอื่นมองคนอื่นแบบ โง่เอาเปรียบคนอื่นได้ง่ายคมโก้ได้ง่ายไม่อ่อนน้อมไม่เรียบป่างไม่ปานีตในด้านจิตใจจิตใจของผู้ที่มีทำในะมันจะอ่อนโยนมันจะไม่มีอะไรที่ไปเบียดเบียนตนเองได้คนอื่นนั่นอย่าให้หมดได้ทำไมททำไมททำไม หรืออยาให้มันประมาณให้แย่พลายเห็นความหลงเห็นความทุกข์เห็นความผิดเห็นความถูกเห็ น, อ, ห น, อ, หนอาการต่างๆเห็นจิลิตัณหาความกูดลูปหลงเป็นของที่น่าขิดหลาบคำว่าขิดหลาบนี่มันไม่ใช่กลัวไม่ได้กลัว ลอยลอยมเป็นขนลอยลอยใจมันเสดหลามคลยใจขนหัวลุกใจปวดใจทุกข์ใจสุกมันขนหัวลุกใจล็อกใงเกียดชันขนหัวลุกมันลอยไม่ใช่ไม่ใช่เกียดชัง จึงเป็นสิ่งที่ประดับชีวิตของเราให้เรียบง่ายต่อลกูกที่จะ ม, มีลูกมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีเกิดมีเจ็มีเจ็บมีตายเรียบง่ายในส่วนนี้ เอฝ่งทะเลที่เป็นชายหาดเรียบที่จะลับขึ้นได้คลื่นกระทบพื้นลงไม่กระทบกระเทือนชีวิตเรียบง่ายชีวิตที่ไม่เป็นอะไรนะให้เหมือนคลื่นที่มีฝ่องที่มีโขดก้อนหินเวลาขึ้นมันกระทบตากระจาย เป็นฟองขึ้นสูงติวไปเป็นโโยก็มีเฮยไปพักอยู่ประเทศฟิลิปปินส์เฮ้ยไปพักที่หัดจอยหาดแต่ว่ามมีท่าสายมันเป็นโตดหินเหยียงขึ้นกระทโกดหินตังเหมือนกับเอฟเอฟเหมือนเพรื่องบินเอฟจุดจเติมเติม แล้วมันก็ปิวมาถึงเหล่าที่อยู่ในที่พักมันก็เดินมันนละองมาถึงห่างการจักฝังไม่ใช่ไก่ยังปิวไปถึงเลยมันก็เดินไปทันสุกมันทุกข์นี่มันปิวไปถ้าสุกก็ทุกข์ถ้ า, ถถาผิดถ้าถูกมันปิวไป ก็เด่นทั้งสองอันสุขเป็นสุขก็แรงทุกเป็นทุก ก, ก็แรงนั่ว่าเห็นมีสติเห็นเหมือนสุขเห็นเหมือนทุกนะไม่แลงมันเรียบเรียบนะให้ลองไปใช้ลองดูก็ได้มีสติให้มันเกิดขึ้นมาอะไรที่มันเกิดขึ้นอะที่เรามีสติเนี่ย ลองสัมผัสดูสิเห็นวันทุกจะมีความปานีตยิ้มแย้มแจ่ ม, จมใสสดชื่นนี่คือทุกข์นี่คือสุขจะเห็นมันไม่กระทบกระเทือนเห็นความแปรเห็นความเปลีเป็นควา ม, วามตายยิ่งเป็นศินละปะเป็นของจิงไม่ไปสัมผัสกับความ ความจิงของจิงใช่ไหมเกิดขึ้นกับเราเนะีเราก็ไม่ได้ทำอะไรเรายิ่งเราได้ปฏิบัติทำมันละความชั่วทําความดีมาไม่มีอะไรที่กระทบกระเทือนเราไม่ทําบาปทํากรรมลายเมื่อไม่เห็นความตายใช่มันเกิดขึ้นไม่กระทบกระเทือนถึงใดไม่ผวาไม่สะดุง้ง เราไม่มีบาปเป่นกรรมอะไรก็สนุกเลยมานี่สนุกเห็นสนุกดูความจริงที่มันเกิดขึ้นมานี่อย่างงดน้ำอย่างมีศาสตร์มีศีลตาวาที่เห็นเนี่ยไม่เป็นเนี่ยเป็นศาสตร์เป็นศีลของชีวิต ไม่ศาตไม่ใช่ศาสตร์ฉินเป็นลูกเป็นวัตถุเป็นศาสตร์เป็นฉินของชีวิตที่มันอยู่เหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อไปอวดไปอ้างใครปฏิบัติเป็นเพื่อเป็นศาสตร์เป็นศินเพื่อให้ยิ่งเยี่ยวกับโลก มีหลายอย่างรสชาติของโลกควมสุขความทุกข์ความกูดความโลกขวามหลงควมรักควมชังควมได้ความเสียพัดภาคจากของมรักของชอบใจว่าสารเชนใดมิได้เช่นนั้นตัวมไม่สบายกายก็มไม่สบายใจไม่เป็นโลกโลกสิยงนี่มีรสชาติสัตว์โลกย่อมตกอยู่ใต้ของอํานาจของโลกมีหัวเราะมีร้องไห้มีสุขมีทุกข์อยู่ที่นี่ เราพ้นอย่างโลกอันนี้มันจึงเป็นศาสตร์เป็นศีลของชีวิตมันมีความวามของชีวิตจึงมีคุณมีค่าที่เราได้เกิดมานี่มีลูกมีนามมาใช้สำเร็จประโยชน์เหมือนมีพว่วงแพร่ใช่จนสำเร็จประโยชน์ ก็เรียกวาก้มข้ามันก็คิดแล้วก็มีอะไรที่เหมือนจะแดงออกไปอีกกว้างใหญ่ไพศาลเมตตาที่คุณกลนาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุ ณ, คณไม่ได้เกิดอยู่ที่คุณแต่ดันกลายเป็นวัตถุกลายเป็นมือเป็นแขนเป็นขากลายเป็นปากเป็นเสียงอะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาอีกมากมายนะ เราก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีบุตรปัญญาสามีก็ยิ่งดีใหญ่จะได้ไปช่วยกันวินาทีหนึ่งอยู่ด้วยกันด้วย เ, เพื่อเพื่อผัวแปทํากับอะไรเป็นวิหนาทีเป็นวิห น, น, น, น, นาทีไปกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้วินาทีหนึ่งผ่านไปทาง ชีวิตเราก็ใช่ทุกวินาทีแล้วความชั่วทำความีทุกวินาทีมีสติโดยเพาะก ร, รมฐานสิีส่จังหวะนีมันสมบูรณ์แบบไม่มีสิ่งใดที่จะสมบูรณ์ที่ถี่ ท, ที่ไม่ได้ช่องว่างที่ให้อะไรเกิดขึ้นได้ในกรรมฐานสมปัชปัยปบพในสติปัฐาน ัวนี่มีดเตรด็อกเตอร์อระไรจำนาที่เป็นแม่ชีบานี่เป็นเจ้าของสำนักที่อยู่จังหวัดลาพูนมาอขอคำแนะนำนิดหน่อยเ้าก็เลยไปร้อยเอ็ดไปแจกของเอารถเอาของใส่รถเต็มพันรถไว้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดองจะมี โอกาสทบุญทาทานเยอะมีปัจปจุปปัจจัยหลายอยา่างที่เขาได้มีโอกาสก็เกิดนะมีอย่างนั้นก็มีได้แต่แล้วไม่มีอะไรก็ยังก็ทำแบบไม่จนเหมือนกันไม่อยู่ที่ไหนไม่เห็นกับที่ไหนก็ขอทำกรรมดีกับทุกคนทุกชีวิต บอกทะลุไปเลยไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครไม่เปลี่ย น, ยนคนอื่นเชิงอื่นเห็นหน้ากันก็เป็นญาติกันมาก่อนแล้วไม่มีใครแปรแปกหน้าเห็นอะไรก็ก็กอช่วยก็ช่วยไม่มีสตูมีน้อมใจจะไปทะเลาะเล่ากันได้อย่างไรเปลี่ยเปียเป่ยนก็ได้อย่างไร ยึดกัเราก็ใช่สําเร็จประโยชน์นะมีกายก็ใช่กายสําเร็จประโยชน์มือห้านิ้วสิบนิ้วมีวาจาก็พูอดออกเป็นแต่ความมีประโยชน์มีจิตใจก็เต็มไปด้วยให้ตากรุณาต่อทุกสพรพสิ่งนะ่ง เราจึงไปเถอะไปออกจากโลกนระชาตชัที่มันมีลดชาตนีออกมาอยู่มาดูโลกช่ๆู่ทั้งหลายจะมาดูโลกนี่อานวิกฤตการหนุดลาดชะลดูเจ้าบอกชวนอกก็ยืนดูคนมีปัญญาหาข้องอยู่ม้อยในโลกนี่ลาชะลด มีอะไรที่มันตกแต่งทําไม่คนหลงแต่ผู้มีปัญญายิ่งตกยิ่งแต่งยิ่งฉลาดเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่เห็นเขาแสดงทีวีแสดงอยู่ในโทรทัศน์ยิ่งเขาแสดงยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งเบื่อหน่ายยิ่งถูกหลอก ไม่ได้หลงไม่ได้มีไปในความร่วมแนวร่วมไปกับการแสดงหองมันหลอกเรานี่มันหลอกเราเนี่ยมันหลอกนะมันหลอกเ ห, หมือนไมอาสาไถยนั่นแหละแล้ ว, ว่าวิกิจการณ์หลดลาชะลดลดก็มันลาดชะลดก็มันตกแต่งให้สวยให้งามมันไม่มีนวร่วมไปกับรถของโลก ยิ่งหัวหนูน้อยลูกดูในดินนอนบนดินกินอย่างต่ำทาพิษอย่างสูงเหมือนอาจารย์พู้ท่านอาบน้ำในคูเป็นอยู่เหมือนคนตายแล้ว กลุ่มเกี้ยวในมือถือดวงกิดว่าสงสมจริงทุกอย่างไม่มีหลีกเดียงแกกของสองตะเกียงเลี้ยงคนทั้งโลกเป็นปริญญาของผู้ปฏิบัตินั้นก็ไปจากนั้นไม่หลีกเหลียงนันที่เป็นความจริงความไม่จริง ไม่ให้ความจริงเป็นของไม่จริงให้ความไม่จริงเป็นของจริงหลีกเลี่ยงไม่ได้หลงลู่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะให้หลงเป็นลู่จะให้ทุกเป็นทุกจะให้สุขเป็นสุขหลีกเลี่ยงไม่ได้เปลี่ยนได้พิจารณไปแต่ของสอนต่อเกี่ยงก็คือเห็น ทิดเห็นทางเห็นคนใดทุกข์ก็คิดจะช่วยวิธีใดวิธีหนึ่งยังคนทั้งโลกเราก็ไม่โจนเหมือนกันใส่เมตตาเราทำาะรอยุดนี้ก็เหมือนคนทั้งโลกเผื่อโลกเหล่าน้้ยเราก็ทำไม่ใครเหลือหลอนแร้วชีวิตของเราชีวิตต่างนั้น ไม่ทํามาเตียงเดือดรอนนี่ก็สนุกปฏิดัตบวรทำเห็นเพื่อนเห็นมิตรเดินจงกรมปรึกตนสนตนนึกกับมีหวัง เ, เห็นพระหนุ่มหน่มเห็นแม่ชีหนุ่มหน่มเห็นยาจมแก๋อเจเท่าเท่าเห็นพระเท่าเท่าเสือมิตรเป็นเพื่อนกันอุ่นใจอุ่นใจ มีหวังจะได้โลกจะได้พึ่งคนพวกนี้เขาเล่าความชั่วทำคนดีจะเกิดคนดีแจกยิดของคนคนหนึ่งไปอีกมากมายเป็นวตัตถุสิ่งของเป็นคุณธรรมเปิดขึ้นจากคนคนหนึ่งนี ว, ว่าแจกของสองตะเกียงวอก็สงควรเจ้เวลานะ มันเราก็กราบพระพร้อมกัน